ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงสรุปเรื่องสมาวยามะนะคือความพยายามในทางที่ชอบเราเห็นว่าธรรมะปฏิบัติที่ทรงวางไวน้น่ยมันเป็นกรอบแก้เข้าไเป็นบล็อกสำเร็จรูปมันสามารถย่อส่วนขยายส่วนแล้วก็ใช้ในกรณีต่างๆได้ทั้งหมดเพราะแนวสมาวยามะเนี่ยมันก็คือแนวหลักที่เรียกว่าป้องกันบาบัดบารุงรักษา เราใช้กับอะไรใช้กับอะไรก็ได้นะฮะใช้กับชีวิตเราเนี่ยต้องมีป้องกันป้องกันอะไรป้องกันโรคภัยไข้เจ็บป้องกันไฟป้องกันอันตรายป้องกันปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นตัวเองไม่ได้วิ่งเข้าสู่ปัญหาเหล่านั้นคนไทยก็พูดดีนะฮะหมูวิ่งกระโจนปังต่อคือปัญหามันอยู่ไกลตัวเราแล้วเราก็กระโจนออกไป ยิงเกี่ยวกับปัญหาเรานันตัวนี้ก็สอนให้ป้องกันไว้ทีนี้ถ้าเราป้องกันได้เนี่ยปัญหามันก็ไม่เกิดแล้วอะไรก็ได้นะความยากไร้ก็ดีปัญหาทั้งหลายเนี่ยก็ลองสังเกตว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่เกิดแก่เราแต่เกิดแก่คนอื่นแล้วก็เราดูเห็นเป็นตัวอย่างแล้วถ้าเกิดแก่เราก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็ป้องกันปัญหาเรานั้นเอาไว้ ทีนี้บางครั้งเนี่ยมันไม่ถึงกับป้องกันได้นะฮะเช่นสมมุติว่าคนโลาเกิมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดสูญเสียอย่างเงี้ยเราป้องกันไม่ได้หรอกป้องกันไม่ให้แก่ไม่ได้ไม่ให้เจ็บไม่ได้ไม่ให้ตายไม่ได้ไม่พลัดพลากสูญเสียไม่ได้แต่หมายความไม่ได้บางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพลาดพลากเนี่ยมันต้องมีการพลาดพลาดบ้างไม่พราดลาบ้างเพราะว่าแก่เราอาจจะป้องกันให้แก่ช้าลง นะแล้วก็เจ็บน้อยลงแล้วก็ตายช้าลงเนี่ยทำได้มันก็อยู่ทีวิธีการวิธีการในการป้องกันในการบํบาบัดของเราแต่ว่าตรงนี้เราแก้ไขสินนส้นเชิงไม่ได้เมื่อสิ้นเชิงไม่ได้มันก็ต้องใช้ความคิดโดยเรียกว่าทำใจเนะี่ยพรกนี้มันเป็นสภาวธรรมเราต้องทําใจเหมือนกับเราไปอยู่ในเมืองหนาวก็ต้องทําใจนะนี่กพราหนาวนะทํายังไงล่ะให้ตัวเองอยู่ได้มันต้องเตรียมอะไรไปบางก็วางกันไป เราอยู่ให้ได้ในท่างกลางหนาวเราไปแก้ที่หนาวมัไม่ได้เราเขาปรากฏหนาวโดยธรรมชาติเขาเราไปอยู่ในที่เขาเองเพระะั้นอยู่ก็พยายามอยู่ให้ได้นี่ก็คือแนวในการปรับตัวเองให้เหมาะควรแก่กรณีเหล่านั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ห่วงมากมากนะที่ห่วงมากๆจะมาสังเกตวันในฐานะที่ทํางานตรงนี้มาแล้วก็คุยกันอยู่เรื่อยนะตามปกติแล้วเวลามีการบญญารรยายอบรมถ้าบรรยากาศ มันเอื้อเนี่ยมันจะคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วพอเ็าถามคำถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นไปนคือที่ห่วงก็คือว่าในแนวของการป้องกันกับแนวของการบำบัดในเราค่อนข้างอ่อนที่อ่อนมากก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารนะการข่าวคราวต่ตางๆเราจะไม่ชัดเจนแล้วในที่สุดมันไปไปได้กับเขาว่า เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นนั่งแสดงถึงความอ่อนแอในด้านวุฒิภาวะไม่พยายามศึกษาติดตามข้อมูลในเรื่องเหล่านั้นและในที่สุดก็เชื่อไปตามที่บอกเชื่อไปตามที่คนอื่นเขาพูดนะฮะแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยคงจะเจอในลักษณะอย่างนี้อยู่ทุกคนอันมาเองก็เคยเจอหลายครั้งมีคราวหนึ่งมีปสันเทศดากเกลื่อนไปหมดเลย แต่พอดีพวกพระพวกเด็กเขาเก็บกันหมดเราก็ไม่ได้อ่านฮนะแต่ลองสอบถามดูอ่านแล้วว่ายังไงก็กล่าวหาในเรื่องที่เราเองไม่รู้เรื่องเลยนะเราเองไม่รู้เรื่องเลยว่าเรื่องนั้นมันคือเรื่องอะไรแต่ว่าเขาคิดเราเองก็ปรุงแต่งเองแล้วก็สร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเองเราไม่รู้เรื่องคือที่จริงเรื่องเหล่านี้นะถ้าหากว่าเราเข้างใจสงสัยอะไรก็สอบถามกันได้มันไม่ได้แปลกอะไร แต่นั่นคือแสดงให้เห็นในลักษณะของของคนเนี่ยบางทีไปใช้ข่าวลือใช้บัตรสนเทศอย่างเงี้ยเป็นเครื่องมือในการตัดสินเนี่ยคนแสดงว่าอ่อนแอมากในเรื่องการวิในิจัยข้อมูลข่าวสารเนี่ยอัตมาโอกาสเชื่อในเรื่องเนี้ย mm hmm. เชื่ อ, อยากเป็นคนที่ค่อนข้าง mm hmm. ก็ฟังหูวไหวหูนะฮะจะจะทำไว้สูมันมีคนก็ก่าวหาพระจากต่างชาติ โอ้ยวาดแรงเลยจนถึงกา ร, รุรานจะสึกนั่นต้องมาอ่านแล้วมาบอกมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยนันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนต่างชาติจะมาไม่พอใจพระเราแล้วก็กล่าวหาลอยๆแล้วมาจะให้สืบอย่างนี้ไม่ได้กยอมไม่ได้มันก็ต้องมีเหตุมีผลในเรื่องนั้นแล้วต้องผ่านกระบวนการที่มีความชัดเจนตัวนี้คือจุดอ่อนแน ลองสังเกตว่าเราอยู่ในยุคของไอทียุคข้อมูลข่าวสารยุคสารสนเทศเนี่ยชีวิตประจําวันของเราเนี่อลับฟังข้อมูลข่าวสารเนี่มหาศารมากแล้วถามว่าใครเป็นคนสื่อสารมาจริงๆเราไม่รู้อ่ะแม้แต่นักข่าวที่แกอ่านเนี่ยโฆษกที่แกอ่านทางโทรทัศน์เนี่ยโทรทัศน์ที่อ่านทางวิทยุตามเธอมีความรู้เรื่องเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงใดแล้วเธอเอามาจากไหน เพราันถ้าจะฟังอะไรเนี่ยมันก็ต้องฟังหูวไว้หวูอย่างที่โบราณท่านสอนเนี่ยดีปะวามหูวไว้หวูแต่ว่าสังคมเราเนี่ยมันค่อนข้างแปลกคือถ้าพูดถึงความชั่วคนอื่นแล้วรับเจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่พูดถึงความดีของคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยรับอะ่ะถ้าถามมาทํำไรเนี่ยคือสัญชาตญาณดิบสัญชาตญาณดิบที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์และมนุษย์ไม่ค่อยรู้สึกตัวทําไมเราซึมซับข่าวเลวร้ายได้ง่าย พระสัญชาตยานของสัตว์โลกเนี่ยมันมีวิหิงสาธาตุคือเชื่อของความเบียดเบียนเนี่ยต้องการจะเบียดเบียนต้องการซ่ำเติมต้องการจะทํำลาย ล, าล้างคนอื่นอยู่เนี่ยมันเป็นจิตสันดานเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็กลัวเห็นไหมฮะเรากลัวแต่เราก็ต้องการดูความพิบัติของบุคคลอื่นมาเคยให้เด็กก็สังเกตดูหมามันฝัดกันได้สังเกตดูสินี่คือลักษณะสัญชาตยานของสัตว์โลก ว่าเวลามาเขาดกันสองตัวแต่ว่าดวอรมาเยอะนะมันฟัดกันนะแล้วไอ้ตัวอื่นมันล้อมเผาเลยไม่เข้าหรอกไม่เข้าไอ้สองตัวก็ฟัดกันเหา่หาเผาใกล้ๆเข้ามาพอตัวหนึ่งถูกฟัดลม้ลมลงนะลม้มลงแล้วก็ทั้งฝูงนี่จะเข้ารุมรุมกัดตัวที่ล้มนะฮะไม่ใช่รุมกัดตัวที่ไปกัดเพื่อน แสดงว่าพอได้โอกาสแล้วก็รุมกันกระทึบเลยไม่แตะดโดะพวกก็เรียกหมาหมูนะที่ภาษาไทยก็มาใช้คมดีนะหมาหมู่คือห ม, มายความว่าลักษณะสัญชาติยักษ์เขาเป็นอย่างนั้นพอถึงเพื่อนอื่นหกล้มแล้วเนี่ยจะใช้ระบบหมาหมู่คือหมูหมู่หมู่ห ม, ม, มานะฮรับห ม, มู่หม้ายังหมู่ก็หมาคือฝูงก็หมานี่เข้าไปกัดรุมกัดเอาพอตัวนั้นลุกขึ้นมาได้เนี่ยเ อ, อสมมุติตัวนั้นสู้ไปเลยก็วิ่งหนีวิ่งหนีทั้งฝูงวิ่งไล่ทั้งฝูงเลยนะ แต่พอแกเห็นว่าจวนตัวแกหันหน้าสู้เนี่ยไม่มีตัวไหนเข้านอกจากตัวเดิมตัวที่กัดกระมงกอนเนี่ยจะเข้าไ ป, ปเพาะแกโกรธตัวแล้วเข้ากันไปก็อีรอบเดิมอีกนี่คือลักษณะอย่างนีน้ปัญหาตรงนี้จึงทําให้เราอ่อนแอกับข่าวที่พูดถึงเรื่องไม่ดีของคนไทยแล้วก็ข่าวลือเลยมีอานาจอิทธิพลครอบนาสังคมไทย นะแม้แต่พระสมมงฆ์องค์เจ้าอะไรแต่ไรเนี่ยเอามาลองสังเกตมานานนะนะเพราคนใหญ่คนโตนี่พูดอะไรก็ตามสร้างเรื่องไม่ดีให้กระทบท่านนะและว้วโกรธทันทีเลยนะเช่นว่าคนนั้นนินทาท่านอย่างนั้นคนนั้นว่าท่น า, น, น, น, น, น, า, าทนอย่างนั้นคนนั้นวิปลาภิจารณ์ท่านอย่างนั้นจริงไม่จริ ง, ไ ม, รงไม่รู้ท่านเชื่อรัอแลว้วโกรธคนที่ถูกอ้างนะถูกอ้างถึงแล้วคนนู้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะในการให้ร้ายป้ายสีเนี่ยจึงทําประสบความสมําเร็จอยู่เรื่อยในสังคม คนบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรอ่ะมันก่อนยังนึกสงสารข้าราชการคนนึงระดับด็อกเตอร์นะฮะมือดีมากแต่ถูกนักการเมื อ, องสงสัยว่าจะช่วยพรรคฝ่ายตรงกันข้ามเลยย้ายซะไม่มีเดียะ ย, าย้ายจะจนไม่มีงานทำอไอเลยทุกวันก็กลายเป็นผูน้ตรวจแล้วก็ไม่มีการสอบถามไม่มีการสอบสวนอะไรเลย ทั้งๆในตัวเองก็อยู่นแนวหน้าที่จะสอบสวนสอบถามอะไรๆได้แล้วทำลายบุคลากรของแผ่นดินคนนั้นเป็นคนของแผ่นดินไม่ใช่คนของตัวเองเขาสมัครรับจาดการรับใช้บ้านเมืองแต่ว่ากลายมาเป็นที่ระบายอารมณ์ของคนที่รู้สึกว่าคนคนนั้นจะกาดความขมขื่นมาตัวเองนั่นคือจุดอ่อนใ น, านการข่าวเพรา ะ, ะนั้นพอข่าวมันเสียแล้วมันเสียเลยอ่ะ คือข้อมูลมันคาดเคลื่อนนะทุกอย่างมันจะคาดเคลื่อนไปหมดแล้วเราจะด่วนผีพรามตัดสินเองทําให้ตรงเนี้ยมันพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเจนว่าข่าวพอเกิดลักษณะยั่วยวนเนี่ยยัว่วยากเนี่ยเราเกิดโลคเป็นมะสนองกีเดตอีกละพอขาวว่าวไปยั่วยวนเนี่ยมันเรามีสัาณโลคอยู่สัตว์โลคเนี่ยมีโลคอยู่จะรับอะไรได้ง่ายแต่ถ้ามีลดมีแลกมีแจกมีแถมน่าจะโวงยง่ายมากๆาเลย นั่นคือความอ่อนแอในด้านการใช้ความพยายามประเภทสำรวมระวังระดับสำรวจรวังตรงนี้มันไม่ใช่ความพยายามอย่างเดียวต้องมีสติสมิสามัญญาแล้วแต่ว่าสำรวมระวังในการรับฟังข้อมูลข่าวสารโอกขาดการสำรวจตรงนี้วันตะข่าวที่ยั่วให้อยากแล้วให้โลภเลยอะไรต่างๆเนี่ยโดยผลประโยชน์ต่างๆเราจะไปได้ง่ายและบางเรื่องมันเชื่อหน้าเอ็นดนะ คนอย่างนี้ก็มีด้วยนะมีพระพุทธรูปสามารถจะดูดทรัพย์มาจากที่ต่างๆได้ให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยก็ไปหาพระเหล่านั้นมาผำไมดูดทรัพจากบ้านไม่ได้คิดเลยนะทรัพมันดูดทรัพย์ใครดูดยังไงทําไมจังต้องดูดดูดนั้นผิดกฎหมายหรือเปล่าสมมติเรามีเครื่องมือดูดจริงๆมันก็ผิดกฎหมายอนะ แล้วก็ผิดสินรมด้วยพระทรัพย์สินเนี่ยมันมีเจ้าของไม่ของเราไม่ของคนอื่นกับของเราไม่ของเรากัของรัฐนะฮนะมันนี่จะสามพวกแทนเด่นหมายความของคนอื่นหรือของเราหรือของรัฐหมดล้วเป็นสมบัติของแผ่นดินเพราะแต่เราจะดูดได้เนี่ยมันก็แสดงว่าเราก็อธินาฐานก็รักรก็โมยพอยั่วให้โลภแล้วมันไปอ่นะลอ่อโดยผลประโยชน์แล้วมันไปมาคล้ายๆกับจับปลาอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ย ล่าสัตว์เนี่ยคือที่จริงมันเป็นบทเรียนได้ทั้งหมดเป็นบทเรียนได้ทั้งหมดในแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วเวลานี้มันไปแรงมันมาแรงในแนวตรงนี้มันเหมือนการจับปลาสมัยก่อนเนี่ยเราลองสังเกตว่าการจับปลาอย่างไกลเนี่ยคือทอดแหคือมันมันมันเป็นการจับปลาในเชิงลุกและส่วนใหญ่มันจับปลาในเชิงรับคือดักลอบดักไซดักอะไร ต, รต่ต่างๆหรือว่ายกยออะไรเนี<ม>่ย คือคือว่าปลามันวิ่งเข้ามาเองแต่ว่าทอดแหเนี่ยก็วิ่งตามปลาไปก็เรียวมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เวลานี้มันเล่นทางอวนลากแนะ่ะเพราะในแนวตนัวนี้ที่จริงมันก็แนวเดียวกับการสือสร่อสารทั้งหลายคือสื่อสารทั้งหลายนิสสรนันวิ่งเข้าหาเราแล้ววิ่งกระโจนเราและ้ะหม่ใช่เราวิ่งเข้าไปรับข้อมูลข่าวสารตรงนั้นแล้วสารมันก็มามาแยะมาจากอินเทอร์เน็ตนี่น่ากลัวนะมาจากอินเทอร์เน็ตมาจากพวกกระตูนทั้งหลายศึกงิ่ดีรอมพวกวิดีโอพวก คาสเซตต่างๆพวกสิ่งพิมพ์ต่างๆแล้วมันไม่ทางหยุดได้เลยคือไม่ต้องพูดว่าจะห้ามป้องกันสารเหล่านั้นไม่เข้าสู่สังคมเพราะมันทะลุทะลวงมาทางอากาศแล้วมันผ่านดาวเทียมแล้วลงบ้านใครก็ไม่รู้ลงเต็มไปหมดอะเราจะห้ามปรามสั่งสอนลูกหลานแล้วก็สั่งสอนเธ อ, อยากนะน อ, อกจากว่าให้เธอมีวินัยมีสานึกสาเนีมตัวคนตเอง ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ป้องกันยากเพราะอะไรเพราะในขณะที่พ่อแม่นอนหลับเนี่ยลูกก็เปิดกรทัศนนดูจะว่าไงจะมีวิดีโอมาดูจะว่ายัางไงมีซีดีร็อมาดูมีการ์ตูนมาดูมันมันไม่มีทางที่จะทําอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นมันต้องสร้างภูมิรานฐานขึ้นไปในจิตใจของคนให้มีวิจารณญาณโดยตัวเองและวินิจัยตัดสินปนัญหาเหล่านั้นโดยตัวเองได้มันจะต้องรุกกันแรงนะฮะแต่อย่าลืมว่าเขารุมากกว่าเรา ก็ุขครุขแรงมากกว่าเพราะเขามีการบริหารมีการจัดการมีการลงทุนอย่างพระเราเนี่ยมันจะไปสู้รบประมืออะไรกับเขานะแม้แต่เนี่ยออกรายการวิทยุเนี่ยก็ต้องเช่าต้องเช่าเวลาเขาแล้วเช่าเวลาจะหาจะต่างจากไหนก็ใ น, น, นที่สุดบางทีบางแห่งเราเจว่าก็กลายเป็นวงจรที่จะต้องไปเรียกรายนะจากชาวบ้านจากสถานที่ต่างๆขึ้นมา แต่ว่าคนที่เขาทำงานในเชิงลุกตรงนี้เขามีกำไรจากการที่หลอกให้ลงเนี่ยคือด่วยโลคเนี่ยเขาได้กำไรแน่นอนโดยเดเพราะนั้นเมื่อก็ข่าวในเชิงลุกนี่จึงมาแล้วระดับ direct send ระดับส่งถึงบ้านในอะไรเนี่ยส่งเอกสารก็มีส่งทางอินเทอร์เน็ตก็มีส่งคนมาก็มีอย่างเงี้ยแล้วมาก่อมเซ็สลบสไลด์ไปเลยนั่นคือปัญหาที่เราจะต้องมองว่าเรื่องป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ ัมบัดเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าการแก้ปัญหานี่มันช้ำ น, นะฮะถ้าป้องกันได้แล้วป้องกันแล้วก็ดีเรื่องมาร่วงไม่ดูไม่เห็นใช่ปังคืออย่าไปดูอย่าไปสนใจอินเทอร์เนต็ตเขามีอะไรอยู่เยอะเราก็เราก็ไม่ดูนะฮะก็จบมันไม่มีความหมายอะไรมันมันไม่สามารถจะวิ่งมาชนเราได้หรอกทีนี้พอข่าวอย่างหนึ่งนะข่าวอย่างหนึ่งก็มีลักษณะที่ ล่อลวงโดยผลประโยชน์ต่างๆหมายความมายั่วลุด้วยยั่วยโง่ด้วยนะฮะแล้วก็กระตุ้นมีศักดิ์ศรีมีเกียรติถ้าไม่มีแล้วก็เฉยละสมัยไม่ร่วมสมัยพวกแคว้นชั่นทั้งหลายเนี่ยแควชั้นทั้งหลายแคนชั้นโชว์ทั้งหลายเนี่ยแต่ก็โชว์แคชั้นก็ยังนึกด้วยมันก็แปลกนะคนเนี่ยเราก็เกิดมานานแล้วในโลกก็เห็นคนนุ่งผ้าอย่างเงี้ยนะฮะนุ่งผ้าอย่างเงี้ยแต่ไหนแต่ไรแกมีขาอยู่สองขามีมืออยู่สองมือนะมีตัวหนึ่งตัวมีคอมีหัวก็แตต่่งงงัวอยยาเีนะะ แล้วทำไมจะต้องมีแฟชั่นราคาแพงๆวักนก่อนเี่ก็ฟังอะไรอะ่ะกางเกงในราคาเป็นหมื่นอะไรนะคนทําอะไรกันไอ้เ น, นี้ยคือคือไม่รู้เื้อไปทําอะไรนี่คือศักสีสิรองเท้าราคาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยก็รองเท้าะนะฮะสร็จประโยชน์ก็แค่รองเท้าคืออย่านึกว่ารองเท้าของพระเราเรียกว่าชั้นดีหน่อยนะชั้นดีหน่อยแต่เอามาใช้ไม่ก็ได้โดนกโมย มันก็ประมาณต่าค่าร้อยนะอย่างมากอนะประมาณส่าค่าร้อยเท่านั้นเองแล้วก็ใช้ได้เป็นปีๆนะใะ้ได้ปีๆก็ใช้อยู่ก็ไม่ได้แปลกอะไรทตนี่ก็คือเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยมันเป็นโลกียอารมณ์เป็นอารมณ์ของโลกโลกมันก็ใช้นี่แหละใช้วิธียั่วยุวนะเกิดความกำหนัดรั่วยวนะเกิดความอยากยั่วยุอยเกิดความโกรธแล้วก็มอมเมาให้เกิดความรุ่มหลงพอพอ เสร็จแล้วมึงก็คุณนะมึงก็คุณแล้วแต่เขาจะชักอะไรครับครับครับเรื่อยไม่รู้อะไรเลยเป็นคนปล่อยพยักไปเลยคือเชื่อเขาหมดเนี่คือมีปัญหาในด้านสื่อสารแล้วเราประับสารไอ้สื่อเนี่ยเขาเตรียมตัวเขาวางแผนเขากาหนดเป้าหมายทิศทางมีคณะทํางานแต่เรารับในี่ยเราไม่ได้คิดเลยเรารับสื่อเนี่ยเราเรารับเลยเราไม่ได้ตั้งหลักเราไม่ได้มีความคิดเอาไว้ คือยังนึกแดงเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยอังกฤษนะที่อังกฤษเนี่ยที่ดาวสมัยหนึ่งเดี็กเก็พูดว่าดาวเจ็ดดวงจยชนโลกเนี่ยแล้วมีรายการวิทยุรายการหนึ่งเนี่ยเขาแสดงละครวิทยุเรื่องมนุษย์ต่างดาวดาวชนโลกมันก็อยู่กัข่าวซื้อพิมพ์ประเดีย๋ยวเด็กไม่แต่เกิดเล่นมันมีอินกับเรื่องมากไปนะฮะมันตึนเท่นะ คนตื่นเต้นเห็นจริงว่ามนุษย์ต่างดาวบุกโลกแล้วดาวเจ็ ด, ดวงมังวิ่งเข้ามาแล้วตกใจตื่นตระนกวิ่งกันออกมาจากบ้านไปเหยียบไปชนคนรถชนเอาอะไรอะไเนี่ยมาเจ็บร้อนตายเยอะในขนาดอังกฤษนะเนี่ยมีการภาษาดีขนาดนั้นยังไปขนาดนั้นแต่คนท้ายเจ้าของรายการวิทยุเนี่ยก็ถูกจานที่ตำรวจจับสารทัดสินยังไงก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าก่อให้เกิดความตืน่นตระหนกตกใจ เป็นตจะลาโจนขึ้นในบ้านในเมืองแต่มันก็พิสูจน์นะฮะพิสูจน์ว่าคนไม่ค่อยมีความคิดในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่จึงมาอยู่ที่ทํำยังไงเราจะสามารถวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารนั้นได้คือหนึ่งมันห่างไกลตัวเองไม่สนใจเส๊นะสองที่มันจะใกล้คิดกับตัวเองต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบไม่ใช่ว่าไหลไปตามที่เขาบอก กาโรโฆษณาทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครโฆษณาว่าของเขาไม่ดีหรอกโฆษณาดีทั้งนั้นแหละแต่ทำยังไงจะวินิจฉัยได้ว่ามันดีจริงหรือไม่แล้วเวลานี้แบบสั่งของจากอินเทอร์เน็ตสั่งของจากโทรศัพท์นะสั่งของติดต่อจากเซ็นแมนส่งให้เนี่ยมันมันแยกทั้งนั้นเลนะคนเหล่านั้นเขาต้องการผลประโยชน์จากเราเท่านั้นเอง มันไม่ใช่วงศาคณาญาติพ่อแม่ของเราที่เราจะต้องเชื่อเข้าไปทั้งหมดไปเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นสังคมบริโภคเพราะว่าก็ยังนึกดูวันก่อนเนี่ยฟังข่าวไอ้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอะคนจีทวินอยู่เย็นเนี่ยเขาเก่งนักประวัติศาสตร์ออกรายการวิทยุประมาณค่าห้านาที คือว่าเทียบเคียงมาตั้งแต่สมัยยอดวิชิงตันก็ต้นๆยุคพระพุทธฟ้านะฮะลูกเก่าเราใกล้กันนในอเมริกาเนี่ยต่อๆกันมาอับรามลินคอนซึ่งก็ตรงกับยุครายการที่สี่คือก็เทียบไปดูว่าในพอซอนนั้นเราไม่มีหนี้สินมาเรื่อยนะะตลอดเราไม่มีหนี้สินมาเรื่อยคือสรุปว่าแม้สมัยรายการที่เจ็ดซึ่งเงินเราแย่มากต้องโดนรายการเรอยอะเราก็ไม่ถึงกับเป็นหนี้ต่างประเทศ เป็นนี้ตมามประเทศเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะโดยอเมริกาเนี่ยเขาเป็นหนี้มาตลอดเป็นหนี้มาไปซื้อรัฐต่างๆของสหรัฐแต่ของต่างชาติเขาจากฝรั่งเศดเสดหริเซน่าอะไรต่ออะซื้อจากฝรั่งเศสซื้อเกาะซื้อบ้านซื้อเมืองอะไรต่อะไรก็เยอะไปหมดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินขา่าวแต่ว่ต่อมาเนี่ยเขาก็รวยเขาก็ยิ่งใหญ่กว่าเราในขณะที่เราไม่เป็นหนี้เป็นสินใครนะฮะ เขาเป็นนี่เป็นสินเยอะแต่ทํำไมเขาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าเราทั้งๆ ท, ที่บ้านเมืองเขาใหญ่กว่าเราเรานี่เล็กขนาดมูลนิธเขาบางรัฐนะฮะเช่นแคลิฟอร์เนียเท็กซัสเนี่ยเราก็เล็กกว่าเขาเลยอามไปนี่คือปัญหาอยู่ที่คุณภาพของคนเรามีความชัดเจนว่าเราเป็นประเทศที่มีอายุยืนนานมากแต่ว่าจุดอ่อนแอของเราก็คือว่า มีความบกพร่องในด้านการข่าวแล้วก็เชื่ออะไรง่ายเกิดไปแล้วลองดูกรุงแตกสองครั้งอันนะฮะเราจะเห็นว่าสมัยพระนเรศวรนี่ยการข่าวค่อนข้างดีบ่เรื่องบางเรื่องที่มันน่าจะพลางพลาดแต่ว่าการข่าวก็ดีก็แก้ไขได้นะเจ่นมาเทนคันชองมาบอกบ้างใครมาบอกบ้างอะไรนะทําให้ข่าวมันทํำให้ท่านรอดปลอดภัยมะ แต่ว่าอย่างสงครามกรุงแตกครั้งที่สองเนี่ยมันน่าเจ็บใจนะนึกตรงนี้ทีไรเราก็เจ็บใจทุกทีแหละกองโจรกระจอกมาสะสมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ต่างมาอยู่เรื่อยๆนะมันไปตื่นเต้นไปหวาดกลัวจนเสียบ้านเสียเมืองไปไปถึงอยุธยาแล้วมันมันมีความรู้สึกตรงนี้ทุกทีอาตมาจักจะซึ้งกับประวัติศาสตร์คืออ่านประวัติศาสตร์แล้วมันเมืองก็ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นด้วย ถ้ามีความรู้สึ ก, กว่าเออมันก็ตรงนี้คือเราอ่อนในด้านการขา่าวแล้ว ก, การวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารแล้วไม่สามารถจะแยกนะข้อมูลอันนี้กับอันนี้เนี่ยข่าวสารอย่างนี้กับอย่างนี้เนี่ยจะรักษาอะไรไว้อะเช่นครหนึ่งต้องการจะรักษาบ้านเมืองแต่มันต้องต่อสู้นะเขายิงมาเนี่ยฮจะรำดาบก็ไปสู้เขาได้ยังไง เอาละคุณเธอก็โุยวายกรีดกาดขึ้นมาเนี่ยตกใจเสียงกระสเสียงปืนอะไรเนี่ยได้เห็นว่ามั น, ม, นมันก็สื่อสองอย่างมาชนกันนะมันถึงข่าววินิจฉัยแล้วว่าจะเอาอยัางไงอะ่ะจะเอาใจคนไม่กี่คนเพือจ้อาชาติบ้านเมืองไว้นี่ก็คือหลักการสำคัญที่เรียกว่าเราก็มีจุดอ่อนมาตลอดจนถึงมีคำอะไรเขาเรียกมั่เฟยนะฮะว่าคนจีนตื่นไฟคนไทยตื่นข่าว แล้วก็ทุกวันเราก็ยังตื่นเต้นนะฮะตื่นตูมแล้วก็ตื่นตามกันไปนะซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในยุคสมัยไอทีเนี่ยอยู่อย่างมีความตื่นตัวคือรู้เท่าทันเรือสิ่งทัางหลายตามความเป็นจริงแล้วก็บางอย่างก็ป้องกันบางอย่างก็บาบัดนะบางอย่างบำรุงให้เป็นภูมิร่างฐานจิตแต่บางอย่างที่มันดีอยู่แล้วก็พยายามรักษาเอาไว้อันเป็นไปตามโครงสร้างของสมาวยมะดังที่กราบแล้ว ต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี